โมนี่เรื่องอาจารย์โมห่ห้ออาจารย์นี่อาจารย์ของทุกโลกเป็นนี่ขนาดนั้นที่ว่าสิติตมันบทีข้าวต่างๆในนั้นซื้อพิมพ์ข้าวเรื่องของโลกเป็นทุกข้าวเรื่องของอนิจจ์ข้าวเรื่องของทุกขงังข้าวเรื่องของอนิจจ์ ขาวเรื่องของสันพะเวชสันพระไพ่ข้าอ่านปลาอ่านปเา้าขนอมในธรรมะเมันกกเพิ่มค่วมบาราค่ายเม่าในบวรดาทั้งสามคือกานไผยเป็นผู้แพ้ไทเป็นผู้ชนะกันเว้นเทเว้นไทยจแพ้ไทสิะชนะกันไม่จะพัานกันอุดรอ่ะอดที่เมืองที่ขึ้นขึ้นกับกวงเว้นมูมนีจะเป็นธรรมเทศนาของข้ามด่ะ ตกลงกล่องเอว่าโโลกทั้งร้ายแย่งอำลายพระอริยเจา้าพระอริยเจ้าจำพวกพุทธสี่จำพวกพาสาวก้ า, วกาพุทธาชาววิกาพุทธเจกกะพุท ธ, ทธสมัมมาสัมพุทธ เปรียกกระพุทธะสัมมาสัพพุทธะสาวิกาพุทธะสาวกุปสา ว, วกพุฏะทั้งสี่ไม้แส่นไหนเถนไม้สั้นเอ ก, กเทศกับไม้เทพโสดาบันขึ้นไปไม้ยังเต็มภู่มครับไม้พระรหันเต็มพวกเดียวพอจำก็นันลงมาเพายังททองเที่ยวอยู่ท่องเที่ยวแต่ว่าทองเที่ยวเดินกลมขีขามฟัง พอกนีเขาโรคกุตตะละเลยนี่พวกเขาโชดดาบันตะกท่กขงขานีอนาจขามีเดินที่ขามโรกกุตะละหละเดินที่ขามโรคแหละมันท่าทิ้งนิ่งินิ่งทินิ่งลบ่ผิดกันนะรถก็พุนกันแต่มันเปียบที่ทางรถน่งกันเป็นสายมาเดียว ผมนี่ตื่นเลยพี้ผมพรเทศตาเป็นผู้ตื่นเลยผมตื่นจากลับเลยลุกแล้วผมลุกเดินนะตัมกานั้นลงมายังลับอยู่ตื่นขึ้นมากระดุนเดินว่นเดินเวียนเมืนน่อนังควมอยากจะค้องจิตใจว่าในน้องวาวเวที่ออกเลยเพราะสมควรผพรเห็นพอใส่อยู่ ผูทกกท้ทุกขติทุผมบอกว่าทากคอทงผู้มีกติมีเวดา บ, บัลลังก์ท่าข่ามีทุกขปติทมีกปติทพยะยามสีละถึงสองเงินพระอริยเก่ทานะ ท, ทั้งหลายเนี่อวัตถุทั้งหลายค่ายออก สมบัติพัฒสถานที่นี้วิญญาณและมุมีวิญญาณก็ตามในใจรูปธาตุเนี่ยชี่เคลื่อนที่ใดสังหาริมาทรัสังหาริมาทรเคลื่อนทีบ่ได้รับเมื่อทั้งหลายโมนีอยูุ่ติอำนาจอันนี้จังมัดเกื้อเก้นเนี่ยกระเพปวนและแตกสลายเพราะสมมติว่าใดมันคือเกี่ยมเสียมาแล้ว ถ้าสมมุติว่าเกิดมันเตรียมตายมากเนี่ยโดยไม่เท่กันนี่ก็เกิดขึ้นมาเพื่อสิสิโลนลดไปลดมากก๊กบรรเทามันก็ลุ่งงานปูนงานด่วนต้องก็ลงไปยืดฐานดินของเก่าแล้วงอกขึ้นมาอีกยังจะของภายนอกอยู่ของภายใน้านดินหนาวพายลมพายในของมูฮั่นเท่กันเมื่อพญาคิดตลาดพระท่นเบื่อทานาย สตีมา่านแข็งแจงฝันามท่านแข็งแจงกาจําเป็นกระตองลงวนเวียนอย่นีสัก่อนลงมาสัางลงมาก่ออย่นี้หละเพราะกมมนีนาวัตติโล ก, กูสรุลทั้งหลายเป็นปรกรรําส่วนพระโสดาบั น, เ, นเป็นโลกุตตรกรรมจะา า, ามีหน้าฆามีคือก โล ก, กุตตรกรรมกับโล ก, กุตตะปฏิบัติอันเดียวกันดำก็นั่นลงมาเป็นโลกกียกรรมเป็นโลกกียปฏิบัติเป็นกรรม โ, มโยนี้นี่กรรมเป็นเดียนเกิดในทั้งที่วนที่เวียนกรรมมาพันธุพันธ์เขาในทั้งวนทางเวียนในวาระทั้งสารกรรมปฏิปฏิบัติวนเวียนในวาตะทั้งสารช่วเผื่อดาวันกรรม โ, มโยนี้ นี่กรรมเป็นแดนเกิดสามารถจะเกิดจิตใจสามารถจะเปลี่ยนส่วนสูงสังสกทาข้านีหน้าข้ามีอรหันต์ถึงรังดับนี่าารนรนกรรมเป็นท่อพันธนะพวกพ่องที่เป็นพวกเป็นพ่องขามโลกในวตจจางศาลนี่กรรมาพันธุ์ทุจิตใจถูกพันธุ์ก็เครื่องพ้นทุกนี่ตรรมปั ปฏิสมปัติคือปฏิบัติเพื่อคนทุกข์ในวัตตาสงสารนี่ซึ่งเดียวเท่านั้นสนพระหันอยู่เหนือกรรมและผลของกรรมไปแล้วเนะพราะกรรมชั่วกะละพ่อแล้วกรรมดีกะสางพ่อแล้วผลของกรรมชั่วกะให้ก็เป็นโมฆะไปแล้วผลของกรรมดีก็เป็นโมขัพไปแล้ว พ็คาไปแล้วก็เต็มแล้วบริบูรณ์แล้วนี่สติมีปัญญาอย่างเต็มที่แล้วสติปัญญาอยู่เหนือความหลงจะคล้องไปแล้วงอ ม, มีเนียยึดเนี้ยถือเขาจะอายจะคลองค่อยจะถือมาพราแห้งเลยค่อยจะยุดมาพราแห้งแล้วยจะอายจะคล้องมันอยากอายผู้อื่นค่อยก่ำทานไฝ่มาพราแห้งแล้ว ว่างทานไฟล่ะหมดพร้อมหมดในคิตในใจในขันธ์ฐสันดานจะฟ้องฉันเมื่อเป็นทั้งทีโลกสิมีความสุขประการใดอะไสลายสันมึนๆซึ่งขม่ซึ่งขมาณโยบายพกว่างแผนไปทั้งิดน่ยว่างไปจะได้แห่งพิดไปแบไงถันว่างแผนไปทั้งถึงว่างไปจะได้แหงถือนไง เมือดาบจะกระท่าค้ามีืน้าค้ามมว่างแผนถือกอยพัฒนาถือกอยถ้ามุขนันลงมายังว่างแผนผิดอยู่พัฒนาผิดอยู่พัฒนาวนพัฒนาเวียนแผนแผนวนแผนเวียนนี่เกตนาว้นเจตนาเวียนนี่เหตุสัตว์มุขที่เกี่ยวจึงสอนข้นชั้นสูงภัณฑ์พิชณาเป็นเครื่องเบื่อนายเป็นเครื่องค่ายเมาในวารดาสงสารทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบัน ลบล่ามควบสงสยัยจะคล้องไปในตัวด้วยชนะควบสงสยัยจะค้องไปในตัวด้วยสงข้ามงนี่มั่อมันสงครามว่าแผนพอบะอะไรป่งได้นนี่ หน้าเฟนบนผีมันมันที่มาตะลุมบอลประเทศไทยปิมันมุ่งเขามาหลายปีละมูห้องเลยหี่บเพราว่าหน้าเขาหาสายข้าขึ้นก็จะให้เนื่เมืก่เกียร์เขาเขาเลือดทุกงยศมูห้องบุทราพูดพระธรรมประสงค์ซัผูกขาดจอขาดยาหายน้หมัก ท่องเที่ยวนะคบกับเขานานหลายแมันไปในศาสตรนี้ตัติบัตรนักชี้รัติบัตรนะักทำอะไรที่รุดผลแล้วก็กรอกวุฒิเศษนี่ให้รู้ธรรมจริงปฏิบัติารรมจริงรุดผลธรรมจริงเนะี่ยคณะคิดนั่นเลยจีดเสื่เรื่องกรรมฐานได้ก็ดี เขาหุบอก่เ ม, มื่อไม่บาไม่บุญนี่ยังดอกพวกมูนี้ทุกเอาเผากินทั้งนันะเยอนี้พว่เจอกล้าอ้าแต่ลบกันมานี่น่านเนีก็เช่อได้วควบุกจังไหนยนุยน่นดวควบุกจังไหนไม่บก่ก้าวนาบน่ควทุก ผมมีไพ่ในวัตฏสงสารนี่องศ์สี่ันไพยสะมีหนทางเมือนายโลกเพราะมันพอกินพอใไสพอกซอยพออยู่ๆไพ่ในวัฏสงสารมันประจําอยู่องสี่ทุกยุคทุกสมัยทั้งพระเจ้าก็คือกันไพ่เกิดไพ่แก้ไพ่เก็บไพ่ตายตามทรานมาตราก็เป็นของประจําอยู่แล้วอันนี้ไัยเว้นไพ่ไพ่ที่สนองปู่สนองมึงสนองผู้นี่ครับพระเจ้าขเทสศได้พบได้ นั่มาไม่จักว่าผลของกรรเกา่าหรือผลของกรรมใหม่มาเรื่องปืนป้นๆเกียร์รตุ๊กนับวันที่เก่ยตกจะไปเสื่สดาบัตักิสาทธิ์ามีอานาจามีอรหันทรันอรหันตกไปแล้วธรรมเทศนาะของม่เฮามัดนั่นหละของม่นี่่เฮายัา ง, ทงท้องเที่อาในวัทรงสารเนี่ยยู่นี่ย็นยัก ส, ส์พพบเห็นยูศิลมันเฮามาในลงมือถ้ำก่ยังิปินผู้อื่นเพิ่เอากันอยู่สิละ คนทุกท้ายทำอะไรใกล้โม่เฮาเฮาค้อยเป็นทุกข์ด้วยเพราะไฝม่บ้าดไม่เมื่องไฝล่ามโรคไฝไม่โรคสัวมือหาวิธีปองกันไวก็ไวโบไวก็ยอมตายข้าไฟเท่านั้นแหละจะทำบุญย่อมตายไปใสพิจนาสิเขารบคุ้นพระคุธพระธรรมพระสงฆ์อย่างเต็มทีเลย มึงมวันไปมึงมีวันทีแท่งครับซอนเปาเจ้ารุตีติเตแปลผู้ย่อยยับไปนะโลกท่านี้พ่านวันเลยมาเกิดมาแกมาเกีบมาจ่ า, า, ายมานึกมาคิดมานัง่งมานอนมานำเผาว่นเลยมาส ม, มุิว่าอะไรว่าเสียก็เผาวันสุดว่าแชงดีแ ช, ง, แชงเดยนก็เผาก็ปลูกทั้งร้าย ยุดแล้วหามล่อแล้วเบื่อแล้วนายแล้วแบบเย็นเยนเงียบคายถ้ามีบอเหลือใสอยู่วันใดวันหนึ่งวิน ญ, ญ, ญาณปฏิสติของคนก็ไปไม่ได้ต้องเกาะอยู่หันละถ้าเป็นง่าคาหินมันมีบอเหลือไสบวันใดวันหนึ่งเนี่นจะค่อยไปได้จะมาพบโมหี้ไหมพบแปลว่าที่เกิดของวิน ญ, ญาณทาบแปลว่าที่เกิดของตนตัว ท่นน า, รรา น, น, นาา ร, ามรานานน่มแล้วหลุมพระถ้ำหลุมระถ้ำคำสอนไหนๆเขียนมาอวดดีต่อศาสนาพุทธตามเทิดประปานคนตาบอดอวดดีส้มเข็มล่ะ ห้องมีพระมานาเขาเสื่อมใจทรัพยมัติที่ห้องหามาได้ไหวฝากขังก้งพอดีอันไหนก็ดีจากมันที่อันตรรธาเ ม, มือไหนมันมานแ น, นอนนี่มันปิดนี่สิเมื่อโลกอุ่นไหวชายผู้หามาถึงคกหน้าไข้ใหม่ปวกกัดในโยกง่ายนี้ดวน ด, ว น, ดวนคำขึ้นก็อ่านเป็นได้บอกว่าถือ ผูมันเตือนสเมอสเมอสเมอสเมอสเมอสเมมหีบเล่งเขาเด้อเขาจะเปิาทั้งสมีชีวิตไนับมื่นอยู่ปหนาเนี่ในว่ตาทองสามันวนี้เปิมามาพอเห็มาพอตีเงื่อนห้างฮันอยาให้มันมีอุปทานอยู่ในหันพีน่าสะบร่างกายกับพี่เจ้าเพื่อให้เป็นค่วมเบื่อหน่ายพิ่เจาร่มให้ใจเขาออกกัพิ่เจ้าให้เธอเป็นพ่วงเบื่อหน่าย พี่เจ้น้านิจังทุกครั้งอนัตตาก็เพื่อพี่เจาน้าให้เป็นข้อมเบื้อนายหันเองนะหวังอย่างไรพี่เจ้าน้าเมตตาเพื่อให้เป็นค้อมเบื้อนายเว้นภัยหันเองแหละพี่เจ้าน้าพุโทโธเพื่อให้เห็นพระเดชพระคุณของพระองค์เจาที่หลือคน้นจา์ออกจากวัฏสงสาร วัฏฏาสงสารมันบนมันเวียนน้กิเลสตัณหามานาสิทธิเกิดสลั้งเวทกิดได้สร้างบา ร, รมีเพื่อหลุคดคนซัออกจากวัฏฏาสงสารสนอกเรืองมานะลงทุนแห้งมูห ล, ลายขมูมูห้องบนลงทุนแหงปานดอกพัฒนาสาวกบนพัฒนาพระเจ ไ่ได้ปรัชนาเศ้าบังสาขอังขัวพนทุกเราเป็นดีดั่มดินบินบนได้ก็ตามวะไรก็ช้างมมันที่เอาทางดินน้ำไฟล่มไปภายในพา น, น้ำนอดอกดำไรวะไรก็ตามดอกหงกับมันทิเอาไปพายนผา น, น้ำรักไ ก, ก, ก่ท่ายใจคนใหญ่มมันสีเอาไปพานผ้า น, น, า น, น้ำ งกงาของมัน ไ, ปไปนนนม่ใชเอาไปพระนพานนั่มเลาวก็ว่ามันเสียเอาไปพระนิพานนั่ของพรนิพานบกบกพ่องเดี๋ยวไปเทศน์ยังเดี๋ยวจิตไปพรนิพพานกับบ๊วยแมนเดินพนทางเดินไปถึงพาะนิพานนี่สือเดินไปทางถือเดินไปทางผิด ก, ก็ลงมาลง อ, อกพุทธ เขาก็มีลักษณนี้เหตุฉะนั้นจึงให้เพ่งอยู่เอาเพ่งมันปไป พ, นพนันธุ์ผ่านบ่อใหบุกเพ่งมันบ่เห็นสัตว์มันบ่เห็นกล่องถูกสัตว์มันบ่เห็นธรรมะสัตว์ั่นเรียนเบืงองเหตุฉะนั้นจึงให้พ่อมาหน้าจึงมาี่เจาน้าให้มันคักเข้ามาเพ่งอยู่ในไม้ข้อมพี่เจ้าน้าให้มันคัก พออาโรคทั้งหลายเอาังขานทั้งหลายเอกองทุกข์ทั้งหลายมาร่วงไว้บนเดียวแล้วจะเพ่งนี่หวังขันเมื่อเอากองทุกข์ทั้งหลายมาร่วมไว้บนเดียวสังขานทั้งหลายมาร่วงไว้บนเดียวแล้วชิสมาธิปัญญามันก็มาร่วมอยู่บนเดียวน้ากันเอาโลดบอกสั่เอาโลดนี้โลกฉันพอโลกทั้งปวงก็เลยมาร่วมอยู่บนเดียวน้ากันเอาโลดที่ยิ่งาลงไปแล้ว แหลมท่อปลายเข็มไงแหลมกวัวปลาเข็มไปอีกนั่นแหละลูกเงียบๆไปนันหนละ่ะฝากปลายเข็มไปหันม่นยั้งมันผ่านใน่านฝากไปทั้งไหนทิศใต่ทิศเนื้อตะวันตกออกเนออกื้อใต่กางฝากเปล่าอันวันท่าตั้งไมนะ่น้ำแหลมมันยังจนสีมองเราเห็นทำอะไรทายิ้มแย่หว่า มันว่างหลายชั้นพระโสดาบันก็ว่างจากเว้นไา่ไปแล้วถ้าตั้งท่ามีว่างไปก้อนนั่นอีกพระหน้าค่ามีว่างไปก้อนนั่นอีกพระทหารหว่างเมด่พ ม, ม่มีแนวยึดถือจิตว่างในพวกโล ก, กี้ว่างในผสมมาสร้างบ้า พอเว like ลาเขาไปไหนไปสมซ่านเลยบางีกาบงี IS, ตกพยบบาทีตกวิ่งเสียหายาวิตกเขาไปทุติยชาต่ติย่าแต่ทุติย่างก็ดีือเพ่งางอันไหนหนึ่งอยู่ก็ดีมันก็พักที่ข้าวเพราะประหาชนะสงครามใหญ่อนุตรสังฆโมชนะสงครามเนี่ยพระหารแต่พงเดียวสงครามโลกสงครามกวดสงครามหลงของผู้เจ้า ดองอยู่ในขันดาชนะไปหมดแล้วพระ ม, มหาสติมหาปัญญาเจ้ากาอแห้งแล้วขนณะคิดนึงก็เลยบวกลงไม่ใช่สิมาตุอะไรหมันเมื่อกี้ลาจนสมัยทั้งเพียงนี้แหละ มูห่อยังดีปฏิ่วัดพระพุทธศาสนาอยู่นี่ยังเงยียบดีอยู่ยังมาวันวานไปมาทางไหนเมื่อเกิดเป็นเรื่องทดสอบว่ามูห่อสามบาลมีมาแก้กล้าแล้วทำมหนดอกบัวต้องกัศย์บานแล้วหรือมันอยู่เสมอหนามก็ดีหรือมันพ้นหนามก็ดีมันมปนแบบอยู่ใต่หนาม นีอุปสรรคในโลกทะเลแห้งเฟื่มงควบเมืองนายในวาระสองสามถนัดเรื่องรถต้นกันก็เป็นเรื่องทุกเรื่องเว้นเรื่องไส้เรื่องไม่พอกินทอดไส้ก็คือกันเกิดเป็นเรื่องสาบทุกเรื่องี้เรื่องปุลเรื่องส้าแล้วพัดเรื่องลบกันโดยฝีปากมั้งนี่เรื่องเอียงโอเคอาสนาจับคุมจับพวก หาเสษนาสายมึนนึนกกระมิตรเรื่องทุกเรื่องเียนเรืยอไปทั้งนั้นรสสากของมันผลลับของมันผลทุต่ายคล้าเป็นเจ้าโลกผลทุต่ายค้าเป็นเจ้าสมบัติในทางวัตถุแตกสายไปํนนำกันบดสมบัติของไัยของมันมีถึงตัวกิดสูงธรรมะสูงท่านัน ถ้าม่บุญไม่บาปก็เด้บุ ญ, ญเยอเสมอได้มือนั้นได้ได้มือนีได้เนะวันใดสูงขึ้นสูงขึ้นไม่ได้อยู่ระดับเดิมเนี้ยพวกหลบสาพระพุทธวัฒนประสงค์สายในธาตุในสีนในภาวนานะคิตใจไม่ได้อยู่ระดับเดิมเนี้ยสูงขึ้นไปเรื่อยเด้บวกขึ้นไปเรื่อยคูดไปเรื่อยทวีไปเรื่อยเนี้ยคว่ำหลงหลบโกนหลงกระนับสิมือสิจดมุ่งผลเ ล, ปปเลยเลยนี้ยมีเงินสิบปันเลยเน้ยบานเนี้ยอร่อยฉันอร่ <ygen ate krit> มหัศจรรย์เขาครั้งนึงเป็นลูกรอบนึ่งแหละเป็นกองทุกข์รอบนึงเป็นอนิจจังรอบนึงเป็นกองทุกข์รอบนึงเป็นหน้าตารอบนึงก็เป็นชิ้นสมาธิปัญญารอบหนึ่งขึ้นกันอะเพราะมหาสติเพราะมหาปัญญาเพ่งอยู่หันก็เป็นมรกรอบหนึ่งขึ้นกันก็เป็นผลรอบนึ่งขึ้นกันมรกว่าขอปฏิบัติผลแปลว่าผลปฏิบัติผลการเพ่งการิจารนะ มักแปลว่าตัวเหตุที่พี่จะหน้าผลแปลว่าผลของเหตุที่พี่จะหน้านะนไ่ต้องการหันสัดกรรมฐานอันใดหนึ่เเขาเอาอยูอาจารย์เดิมยุ่ซื่อมันนไม่ร่อยหน้ามันก็ไม่ควรวัดอุบายได้เขาสิมุดสิ่พ่นเห็นว่าพี่จะหน้าเห็เขาอยากกันอยอดนี้ซุ้มพิเรนนาเขา เสร็งเว้วนเส้องไผ่กันอยู่นิทน่องเฮียนวิชาละเว้นละไผ่สมืูนมง น, ง น, นี้ป่าประมิตรท่ามือจะมาครบในวัดตาสงสารอันนี้ปลกเว่นไผ่ร้ายก็บมิจฉาป่าประมิตรเท่านั้นสันที่ตานั้นจะคมพพุทธเจ้าพุทธเดินตามท่ามพุทธเจ้าพุทธเอบธธาบดีท่อเพิ่นก็นตาม ขันเท้าเอาข้นพอาขันเท้ามานเป็นตัวยางเท้าแผงโซ่เขาเขาจากพันเท้าเท้าเอาผูดีก็เ้าเอาเปว่าเท้าไปเอลมาเป็นตัวยางการ ข, ขาันเท้ า, ออ า, ออาไ ป, า ป, ย, าปายังสิ้อบดีต่ำเพิ่นคนขนมักว่าตัดแทานวนกันเท้าบดีเท้าพระพุทธเจ้าเนี่ยเมื่อวัพระพุทธเจ้าหน่มันแท่ดีเ้าเสิยได้เอาคนเป็นอย่างยางกันเท้าเอาค้นขนาดเท้ามาเป็นอย่างยางเลยฮันเทาบดโซ่ขเขาจกพันเท้าลาเทน้นบน เอาผู้ดีก็เท้ามาเป็นตัวยางสันเท้ากระยั่งวทตเซวะอยากดีจักเม็ดหลองซะเพื่อจะเอาพ้นผู้ปันเท้ามาเป็นอย่างางเนีเ่ยเท้ากรแงตั้งโมเขาล่วมไปจากหลังลานเท้าผู้ที่เกี่ยวทางร้ายล่วงเอ่ยควบเดียวกันเมด่พระิมาสอนให้ยินดีในโลกข้างปวงหรอก้ที่เกี่ยวทางร้ายในยินดีเจ้ขอว่าปฏิวัติขา้ามำโลกกันละสามคมหลงทง่นั้น หายูหา่หากิ่นหาใทยหาซอยผมมาที่มาหาวา่าประชันนแข่งกูมีเท่านั้นลาดมึงมีเท่านั้นโกดมาทสิมาแข่งอันยังสิมีแล้วว่าปฏิบัติทิ้งถ้ำสิได้ยังมีเจสีเป็นเพลมาเฝ้าอยู่นี่แล้วตายแล้วทุคคลผมมีเปญญ็นหาเวลาวันหนึ่งึ้นหนึ่งเขาแบงเวลาออกปฏิบัติท่านนั่นคือกัน นม่รับไม่สินมาแบ่งกิ่นแบ่งใส่แบ่งท่านแบ่งปฏิบัติพอแย่งกบเวลาดนี่พอแข่งกบเวลาดีปฏิบัติควมดีแข่งเวลาดีเ ว, วลาของควบจ่ายยิตแถมมันยูซื้อมันมุโยดอกมืนอนึ่กันึ่มนนกัห น, น, น, น, น, นึ่ง ทำมันนึกไปทั้งดีละปอยมันโลดจ้ไปหามมันทามันนึกไปทั้งช่วยจังไปหามทุกห้องไปเลยง้วแลงกล้วยนี่แหละลอยโยมดมือนบดเว้นเพราะเจาก็กินดีเยอะบดดีเกษเเมันอิ่มทองที่ไหนทามันโยเป็นสุขมันจินยาดีๆเยอะแล้วเพราะไปไล่มันปอยทำมันจินจิตใจคือการทำพี่จะาน่าไปทั้งถือแล้วก็ปอยมันชงเสริมมัน แต่ไม่พี่จกหน้าไปทังพิษเด็กหันหามันอันไหนมันสีเพิ่มพูนแล้วโลภอันไหนมันทีเพิ่มพูนโกรธอันไหนมันสีเพิ่มพูนลงอันนั่นล่ะพักดันมันหามเบียกหามล้อมมันอันไหนมันสี่บันเท่าโลภโกรธลงอันนั่นล่ะส่งเสริมมันเดี๋ยวเาปัญธิตานั้นจะคบปัญธิติคิดจ้งสั่งค้นควรคบคณะคิดแจ้งสั่ง ยิ่มันไปทั้งโบแมนอ่ะเขาไปท่องเสริมมันเดียวก็ครบเดี๋ยวก็ ค, บ, กคบปาประมิดมิดเป็นบาปสามารถสีลงทางตำ่ำเดี๋ยวก็บาปคู่นบาปบุญคู่นบุญมักผลนิผ่านคู่นมักผลนิผ่านนอกจากพระนิพพานไ ม, ม่มีอันใดสิสวยพระนิพพานในดอก นอกจากมรรคมีอันไหเสวยมรรคแต่ดอกมรรคในท่างดีมรรคพรวานาในท่างดีนอกจากบุญบูมีใันไหนสวยบุญได้ดอกนอกจากบาปมีอันไหเสวยๆบาปได้ขึ้นกันล้วของชาติอรรถนอกจากควอมือผบ้ม um UM ีอันไหสมาสวยข้อมสอขวอมเดียวกันไม่ก็ม้อันเดียวกันก็บาปผู้ใดยินดีในสัวก็ควอมือฮาลัยยินดีในสัว ก็ผู้ส่วยนายินดีนี่ส่วหนิ ง, งเนนขาสู้คนนี้พ้านกันไปหร้ายนาะก็ไม่เห็นในท่ายในสองมหาสมุทรลอยกูระมหาส ม, มุทรส ม, มุรวสมม ต, รต์ซีมหาสมุทรแล้วเขาญม่เงีบยบๆกันอยู่ในโรงอยู่มุงรูนไหม่แห้งักครับนนี้นกกนล้ะบอ ผู้ไปมรลูกหกก็มีผู้ไปสวรรค์ก็มีผู้ไปเป็นทัพที่รษานก็มีผู้ไปเป็นเสศรแฐีสุดกายก็มีผู้ไปเป็นพระโสดาบันก็มีผู้ไปเป็นสังฆท้าวกมีน้าค้ามีอาหารเหลี่ยบทบไปจะมาบุญญาเนี่ยกัดปัญหาได้นงขัดไม่พู้ได้ออกได้จะคดมองรู้ไงไม่มีมวนหันใจอะไรขึ้นกันนะลูกอ่นนี้ก็ได้มันพอหายใจได้ ก็มีพระพุทธศาสนาแทแทงอยู่มีพระพุทธศาสนาแทกแทรงอยู่มันฟูปฏิบัติพระพุทธศาสนาแทรแงนี่แหละอรเล่บานี้กดไม้จาสีไม้ไปปนนี้ก็ตามหอเล่ยุทหอตัวหม้อเสาอาต่อยสกดลุลเมื่อยู่ของน้ำหัวใจ่อยบาปเจาสีเขียนไว้มืเมือสร้างหรือเป่ยุทบอสอ่านพกดุบุญก็คือกั คอยพวกเขาลงคอยเปฏิบัติมันได้อยู่กับผู้เหตุข้อมูลเขาปฏิบัติทิ้นทำมาเนี่เขานับมืองูลงบบาเขาเขานับมือสลัดท่านั้นกับพ่อเราเองผู้เขาบอกถือว่าไม่มีบุญไม่บาปนั่นเขานับมือสลัดขึ้นเบาหรือเขานับมืองูลงมาสันเขาบ่งสมนาเขาแพรบเหลี่ยมเขาของจัก ม้าได้๋ยวเบิ่งหลายุูจับคอยบรรยังคนพอาสิไปรักเกยท่ายใจเขาเองมันย่างเขากินเราเขากินเห่าเห็นอยู่แล้วเขารักเขากลรักให้เห่าเห็นอยู่แล้วเอาเหตุของเขาเน่ะตัดสินเขาคว่ำประพฤติปฏิบัติของเขาเน่ยจัดสินเขาม้ามันว่าเห่าเสียว่ามาเห่าได้ เหตุของมันเฮาผลของมันเฮาเขาจังว่ามาเฮาได้คมรับบุ๋มีในโลกควมดีมันกับบมีในโลกควบดีกับบมีคนดีก็บบมีทั้งสิลป์ในโลกอันนี้พวบตัวก็บบุมีทั้งสิลับในโลกอันนี้นละที่โลกเกลือหัวหน้ามะนะเขาทําดีเขาของจักรกิ้วเขาจะ้งสัวเขาของจักรกิ้ได้มันสิลับจยังไง ข้าต<ฮ>ัว <BE> ข้ากองเจ้าข้าตัวยัาบตัว้ากองเจ้าข้าบตัวมันสิรับยังไหนสิเรื่องใชพฤติประทับประสงค์แทะหรือเลื่อมในช้ปรแทะหรือัวเอามอื่คือข้าของเจ้าข้าอยู่มันสิรับมาใช้สน่ะเอาเห็นไพ่ในมาตาสงสารซําไหลหรือข้าบัเห็นซําไหลไม่สเาก็ตอกเ้าได้อยู่มันสิรับมาไช้ เขาอแต่ปากซื้อบอกเกตนาเปลีนป่นไปจังนึ่งบอกบุมมีผู้อื่นมาดักไก่ท่านไก่เขากับตอบเข้าได้อยู่สิวายจงังไรจัเข้าปากเป็นยักษ์ปากเป็นถ้ำหัวใจเป็นยักษ์บอกหรือเขาปากจังไงหัวใจจังสัน่นเกียรติหนาจังสั่นนี้ทีบกสะเ้ากองจักเข้าอยู่ไปก็ได้ความรับมันมาจะใช้สัน่นมันบุมมี่ มืออื for pun, so ่นเท่าสิไปยังแด้พี่สันเท่าก้าวเขาเข่าไหวซื้อได้ใหญ่ยังก้าวปถือได้ยังยูดีมีแหงว่าสิไปอันนั้นไปอันนี้อรอยจะเคยสั้นหอดาสั้นหอดได้บ่อใหญ่ก้าวไหถึงเจบัญชีคือตัวเนืองานโมฮันมีปัจจุบันนี่มีทั้งเนืองงานมีทั้งบัญชีเหตนสันที่ว่าปัจจุบันนั้นจะย่อทำมั่ง เด้เห็นธรรมในปัจจุบันผู้นั้นจะสิ้นความสงสัยในพระพุทธศาสนาศีลสมาธิปธัญญาจกมาร่วมโยห์หันพระพุทธศาสนาจกมาร่วมโยห์หันผู้รู้จะไปร่วมโยห์หันสติจะไปร่วมโยห์หันสมาธิจะไปร่วมโยห์หันปัญญาจะไปล่วมโยห์หันศีลจะไปร่วมโยห์หันผู้บ่ายทำสอนไดๆในแต่หมื่นที่พระสีพันพระธรรมกันจะโลกไปร่วมโยห์หันนะจกเห็นสับในหัน ตึกเป็นเครื่องสัญจรของโลกออพระวจีอเจพาะนิพพานมรมาตึกนั่าก็ะทึกไปทางถือ ก, ก็จัดเป็นมรรคตึกไปทางฟิปกิดจัดเป็นมรหกเพราะมันหกื็เในกิดได้ใจหัน มันขึ้นไม่มวันขึ้นของผู้ใดมันเป็นชีวิตของผู้ใดมันบวามันเป็นชีวิตของผู้ใดมันบวามเป็นวันขึ้นผู้ใดเลยอีู่ก็ราตรีที่วะมีแต่เมื่อก็แก่งเท่านั้นแหละพระธาตุเฮามากเกิดค้อมูลของเฮาอวิชชาตันหาอุปธาตุของเฮาฟ้าเฮามาเกิด แม่เพิ่นทำกรรมมาล้มมากเพิ人人่นจะทำกรรมมาล้มจากกิเลสทั้งเพิ่นผู้ส่วนผลบุญท้องเฮาเคยเดยวงเพิ่นทองแล้วมาเกิดนั่เพิ่นค่นียมาเลี้ยงมูเฮาเหตุสังขุนของเพิ่นยังค่อยหลายเอเฮาปฏิบัติเสมอเี่ปฏิบัติสิ่มาเกิดได้บ่เนี่ย่ว่าเเป็นพ่อเป็นแม่ผู้ใดเป็นลูกผู้ใดดีเนี่ยถิ่วมาเเป็นผัวผู้ใดเป็นเมียผู้ใดดีนี่ หรือว่าขึ้นมาเป็นลูกผู้ใดเป็นธาตผู้ใดเป็นขาผู้ใดได้ยังไงขาจะคล้องธาตจะคล้องกับบุิมาได้เังมีเกียรตนาธนนิาเห็นอย่างเต็มที่นพี่ชนาขึ้นหลังพานทุกมานี่มันก็พ่อมาซักเสกดินนะพี่ชนะสิพานไปทางหนอีกก็พอแหงพี่ชนอย่ใ น, นปัจจุบันเนี่านใจต้งแงแ ง, แงิที่จดเดินตึงตึงตั้งๆั้เลยะนเท่าเดินก็ไปห้าเซทคอรอละ สมมติเาไปละศาสตรเนี่ยผยังสนาอีกบ้านเบอน์น่าอย่ตายแล้วมันเรวดอกวัสดของเมืนว่าตายแล้วมันแล้วมีตักรพรรดิยังพองเดียวนกน้มันบเรยวดอกนนรับแล้วมันแล้วมันยังทีแล้วให้เจ้าัห้แล้วมันยังฝันมีอาการเยู่วบอกลบพุนหานเดียวมีปัญหาอยู่ในความฝันอันอีกที่สบมีดีใจไม่เสียใจอยู่ในความฝันอันอีก มีโต๊ะมจจานยีขัวมีหยานอยู่ในหันพวคือพระละหันพระละหันรับเพื่นของเจ้ากเพื่อนรับอยู่ตื่นเพื่อนของเจ้าเพื่อนตื่นอยู่ที่หาสช่หยาดนอน่นจะแข้งข้างขวัวเป็นชวนมากพระองค์เจ้ายืนก็ดีเดินนั่งก็ดีนั่งก็ดีนอนก็ดีว่า่ง เราเดินอยู่ในซ่านเราเดินอยู่ในนางเราเราเดินอยู่ในซ่านเรานางอยู่ในซ่านเรานั่งอยู่ในซ่านเวลาชานั่งแปลว่าเพ่งอยู่ดี่าชาตตัวตุช่อกระโชกเนี่ยองแบกโลกว่าพ่อแหงมานี่สโปงสีว่างัน ทุกเกิดขึ้นมากสิบปฏิทินอยู่ทุกเกิดขึ้นมากสิบปฏิทินอยู่อุเบกขาเกิดขึ้นมากสิบปฏิทอยู่ธรรมชาติสูงมันยังอีกอดีตคือผู้หลุที่ล่วงมาแล้วอนาคตผู้หลุที่ประธานมาถึงปัจจุบันคือผู้หูุที่รู้อยู่เดียวนี้เป็นที่สักว่ารูกบ่มิสารบ่มิบุคคล ูวมเขาล่มออกก็เ <g> ป <departure> ็นแต่สักว่าลู่บ่นแ่สัก่น้นล่มเป็นแต่สักว่าล่มผูู้่เป็นแต่สักว่าู่ลู่ห้างกระดูกก็คือกันห้างกระดูกเป็นแต่สักว่าห้างกระดูกผู้ลู่ห้างกระดูกเป็นแต่สักักว่าู้่ผู้ลู่ม่ใช่สัไม่ใช่บุก้ก็เป็นแต่สักว่าลู่ว่ามันจะหอไปภายในผ้านําผูู้่เนี่ยมันเป็นพเป็นชาตนละเอียด มันโมเปิดติดอยู่ในภูรูอัญยับไเหมือนปิติดอยู่ในภูรูอ ล, ละเอียดดสัตว์จึงให้จองพะจะิจนาอยู่ในสมถะในกรรมฐานวิปัสสนาพาะจะนิจนาก็ต้องกมคืนกับสมถะอยู่จะคอยสัต สีเบื่อสีนายสีไข้เมาในวัตตาทองสารสัน ใ, นใด้ได้ของมันกันก็ต้องโกมกืนในกรรมฐานที่ต่างวอยู่สักวันเนี่ยกันเ่อไรเมื่อวันไหนก่อนไหนหลังรู้พร้อมกันในคณะเดียวกันข้าวเห็นซัดว่าในโลงเต็มไปด้วยข้อบรมมัธยมหยาห้าสิยานไปได้ลื่นท่าน เต็มไปด้วยกองทุกหรือเฮาสิญญาายาดไผ่เดือดขึ้นฮะนี่ยพวกขี้หึงสีม้จ้าพวกตูดได้ฮะเมือ่อคลุมขี้หึงบ้าหมาฮะในโลกโกลล้งกับเบาไปเลยได้ฮะเนี่ยส่วนสีวิ่งเล้า ว, วิ่งไทถเส่วนตีเบียดเบียนผู้อื่นมาเพื่อประโยชน์ของตนกับเบาไปเลยได้่ะที่หลอก่วงเรื่องชีวิตก็ดีกับเบาไปแล้วฮะ วายะเมธีวะภูริสูเป็นผู้สร้างภาคเพียนเพื่อรุดผลลั่ไปแน่นอนเพื่อรุดผลจะควบลงจะคล้องหันละปัญหานับมือหน่อยลงห่นเนี่ยท่าพีาเา่เจนะธรรมะพระองค์เจ้าปัญญาโอสวดถ้าไม่ปัญหาหน่อยถ้าไมควบใเยอท้ ย, ย่น า, ยยานหน่อย เธอจะยะยานในทางสิบยุทธพ่นเธอจะทยานในทางอามธท่าพอได้กินในใส้แล้วในสวยแล้วนีกาลังพอสิปฏิมีอิสระสิปฏิวัติเอาตนพ้นทุกข์ได้แล้วเพราะบ่ได้ซื้อกับเบือเพอาท่านบ่ได้ซื้อกบบานขอกินเพิ่นกินยั้งกบพอได้กินน้ำเพิน่นเพิ่นท่านยั้งกัพอได้ท่านน้เพิ่นอยู่สิบ ย, ยุทยอะเพียงแค่นั้น ท, ท่านคิดทําจใ้สูงขึ้นก็นั้น พุเพินมบอกวาเว้นว่นไไพ่ดียยินงซื้อกับนาเรียมใช้ใช่แล้วบอกวาสัสสัสพบพบเดียินงซื้อกับนาเรียมใช้่แล้วเอกขาฟันนั่นแท่งกันก็ดีองียบบ้านเงียเมื่องเงียดีเงียซัวกันซิ่งดีซิ่งเด่นก็ดีเดี๋ยยินงจะซื้อกับเบื่อเล้ว่ม่อยากเอามาให้มีในคันธัสันดานอยากปล่อยอยากว่างอยากฝนจะเปืองหมด เห็นไพ่อย่างเต็มทีเี็นพระพ้นอย่างเต็มทีพอเห็นโทษอย่างเต็มทีเห็นคุณในพระในพ่านอย่างเต็มทีเห็นโทษในวันายสงสารอย่างเต็มทีเห็นคุณในพระใิพ่านอันบ่มาเกิดแกเก็บตายอย่างเต็มทีเห็นโทษในโลกโกรธหลงอย่างเต็มทีเห็นคุณในอันบ่มิโลกมีโกรธไม่หลงอย่างเต็มที่อ๋อแค่ดาวโหลด นอนภาวนานอนอะไคือกันมหาวจินังคัดสมาธิดอกนังพระเพียบกระไซได้พระอุบาลีนั่งยังสี่เิ่นนั่งภาวนาพระอุบาลีคูนุปมาจารย์เขนกำลังลดลมให้ใจเขาออกคนนั่งยังสี่ เด็ดีนมาใส่ตามาถือเป็นลูกเป็นเต้ายาพญาบ้านมันบ่มีเอาเรื่องน้ำล้งปูหรอกน้ำปูนี่จะเป็นยาบ่อยมันบ่มีสติเด็ดีนมาใส่นานเข้าพอดีว่าเขามีสติอย่างเต็มที่แล้วเขาถือเป็นซันลูกซันเต่าเขาบ่าเละบ่เละระวังโตเขาแล้วไปใส่คําว่าขออภัย มันมันค้นกรุงเทพค้นกรุงเทพคนลืมมาแล้วห้องกับหัจ้านิสัยเขาและห้องกับพกขอาไพคือกันนะของมมืห้องที่ไม่จั a b เอาพิดเอาถือกินไปภายในภาคมั น, นที่ไม่เอาจั a เอาควบพิดเกิดไปภายในภาคนั่งนัอังกบป่าว ถือเอาข้อถือใส่ไใบกระเป๋าจงินกระเป๋าใจเอาข้ อ, ม, ม, ม, อ, อ, รรอ ม, มือัวมาใส่ไวใบให้ยังโตเซลวกภาว่าหน้ายังสมมติไงสกุลกายบอกฮะอ่นนานหนาฝัสติบอหนั่นลักมีสติมากมีสติมากทีเดียวเธอจะพิจารณาเห็น ความไม่เที่ยงแห่งลมหายใจเข้าเธอพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงแห่งลมหายใจออกเธอจักสลัดคืนว่าไม่ใช่เธอไม่ใช่บุคคลในลมหายใจเข้าและหายใจออกนี่ลดทำความดับตัญหาเป็นธรรมอันละเอียดเธอจะเห็นพ่อองกับลมหายใจเข้าออก สารีบุตรอนาปนาณาสตีนี้ท่านผู้ใดเจริญดีเล่กายและกิจของท่านผู้นั้นก็ไม่หวันห่นไหวท่านผู้นั้นมีสติตมากพระองน์งปพระมา น, นาอยู่ในภูเขาเทอดาแสดงตัวมาเอง เนี่ยมารักษาเขาเถาะว่าเช่นเขาไม่สติหรอกว่าเช่นคนเท่าคนเห็นลมหายใจเขาออกแล้วมันก็ร่วมคุณพรคุณพระธรรมประสงค์ลงในหันหมดได้แล้วรวมกุศลพ้บุญร่งหันมดได้แล้วร่วมมรรครงหรันมดได้ได้ร่วมผลลงหันมดได้แล้วร่วมกองทุลงในหันได้หมดแล้วดึงกรรมฐ า, านอะไรมาได้ทางนักเพราะกำลังแหง อาณาปรนัสติเนี่อุปมาคือสร้างทิศเหนือกรรมฐานอื่นๆอุปมาคือเข็มทิศต้องที่ไปสร้างทิศเหนือมอมดเข้าไปในข้องทางทิศเหนือมอมดอานาปรนสติอุปมาคือมหาทะเลมหาสมุทรแนะนำพ่อน้องข้องบึงบางไร่ลงพวมหันหมดมีอันนี้สงสามสิบเอทประการ จากบริบูรณ์เนี่ยสติประธานสีสติมีสติออ ก, ากมายทุกกรรมฐานอั่งว่าสติประธานสี่ิกษุนาค่ายลมหายใจเข่าออกอยู่นี่ยมันกายหน่ายกายเลยฮะเวลาหายใจเข่าออ ก, ก็ร่มไปผสมกับเลือดแดงโรูจงพิกษุนากายในายกายก็คือพิจาุนาลมหายใจเข่าออกกันเอง จงพิจารณาเวทนาในเวทนาก็คือพิจารณาหายใจเข้าสวยเวทนาสุบทุกอุเบกขาหรือไม่ตรวจอยู่ในที่นั่นเวลาหายใจเข้าใจออกกิจใจเศ่าหมองหรือผ่องแพ้วก็เรียกว่าคิตตานุปัฒนาเวลาลมหายใจเข้าออกเห็นความเกิดขึ้นแปรปวนและแตกสลายลมหายใจเข้า ก็แตกสลายออกจากต้นลมแล้วแตกสลายมาจากกลางลมแล้วแตกสลายมาจากท้ายลมแล้วก็วนออกอีกก็เป็นต้นทีนี่ความเกิดขึ้นแปลปวนทีแตกสลายมันมีอยู่ทุกระยะระยะระยะระยะถีบต้องเห็นตามเป็นจริงมังเห็นจำเป็นจริงแล้ว จะคิดซึ่งความสงสัยว่าเป็นแต่สักว่าอารมณ์ไม่ใช่สัตวไม่ใช่บุคคลเป็นแต่สักว่าเวทนาไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลเป็นแต่สักว่าจิตไม่ใช่สัตวไม่ใช่บุคคลเป็นแต่สักว่าธรรมไม่ใช่สัตวไม่ใช่บุคคลทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันด้วยผู้รู้ว่าอารมณ์ก็เป็นแต่สักว่ารู้ผู้รู้ว่าอัตตาก็เป็นแต่สักว่ารู้ผู้รู้ว่าอนัตตาก็เป็นแต่สักว่ารู้จะไม่ได้ยึดถือทั้งอัตตาและอนัตตาด้วย จะไม่ได้ยึดถือทั้งสมมติและไม่มุดด้วยจะไม่ได้สมมุติว่าตนเขียนจะไม่ได้สมมุติว่าตนลบถ้าผู้เขียนก็ไม่มีผู้ลบก็ไม่มีจะไม่ได้สาคัญว่าศูนย์หรือไม่ศูนย์เพราะมีสติอยู่กับลมเข้าลมออกอาจารย์เดิมอาจารย์องค์นั้นสาคัญปฏิบัติให้อุปทา หลวงปู่มันเคยเทศยกงองอานาปันสติบุคคลปู่มันจับลมโบยเท้าก็ะไรขามันข้ามห้างกระดูกเสียแล้วเพื่อนวะทำให้จับลมอยู่แล้วเข้าคอนที่วายังมาสันมันเกิดเองปัญญาาสันซ้อนตัวเองเพื่นวะไตโรกระถางร่วมประโยชนหันแล้วสิ้นสมาธิปัญญาก่ะร่วมประโยชนหันแล้วกําลังแห้งมันดึงเมื่อใดเมื่อ มันเข็มทิศมันสิ่ไปใน่ชางทิศเหนือจังหวัดจัหวัดะพ่อแม่เลี้ยงคือผุนแม่เล็ยกยงคือในรมให้แก่เขาออกล่ะมีสติออกนาล่ะสติศีลไม่ไหลไปไหนเพิ่นกขาไ่ได้ห้ามพันสติมันชัดปัญญามันชัดเองมันศีลมันก็ชัดเองมันพอตัดศีลดงในสติอัน รอกปัญญากขรอบครอบได้สติฮันตกวรลงสติกขาปัญญา ก, ก็เลยเป็นอันเดียวเง น, นกับสีนลองสัตว์ได้จไปพักกรปหายฮันละป๋าันหรือว่าถือกระป๋าไปือทอมโอทอมโก้ในผ้าคือทอมสงในผ้าคือทอมสงในผ้าคือทอมสงในผ้าให้มาเผอแก้เก็บตายอีกให้ได้มาสาติเดียวเท่านี้มูฮอง